ณบัดนี้ขอเชิญทักษาทุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิยานเถระหลวงพชาสุภโถดแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องไม่แน่คืออนิจจ พระฝรั่งองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์ของอตาตมาเมื่อเห็นพระไทยสามนเนนไทยศึกก็อุ้ยเสียดายทาไมถึงทําอย่างนั้นทําไมพระไทยเนนไทยถึงศึกกันนี่เขาตกใจพากันตื่นเต้นในการศึกของพระไทยเนรไทยก็เพราะมาพบใหม่ๆเขาตั้งใจมีศรัทธามาบวชนี่มันดีแล้วคิดว่าจะไม่ศึกแล้วใครศึกก็โง่เท่านั้นแหละ มาเห็นพระไทยเนนไทยเข้าพรรษาก็บวชกันออกพรรษาแล้วก็ศึกโอ้สลดใจตกใจโอ้สงสารเนื้อสงสารพระไทยสงสารสามัญเนรไทยทำไมถึงทำอย่างนั้นพอดีต่อมาพระฝรั่งก็อยากศึกบ้างเลยเห็นเป็นของที่ไม่สำคัญตอนแรกมาพบใหม่ๆ ม, มันตื่นเต้น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 ฉะนั้นเรื่องปฏิบัติในจิตของตนเนี่ยว่ามันง่ายเรามันพูดง่ายนะแต่ว่ามันทายากมันทํายากยากคือมันไม่ได้ตามปรารถนาของเราบางครั้งที่เราปฏิบัติไปมันก็มีด้วยนะมันเป็นเทวบุตรมานช่วมันช่วยเทวบุตรมานมันช่วยให้ดูไปให้ถูกพูดไปให้ถูกอะไรอะไรมันถูกไปทั้งนั้นแหละอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ถูกก็ไปยึดมัน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 เพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสกำลังทั้งห้าไว้ว่าศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาศรัท ธ, ธาคือความเชื่อสติคือความระลึกได้วิริยคือความเพียรสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรู้ทั่ว ปัญญาความรู้ทั่วอย่าไปพูดแต่เพียงว่าปัญญาความรู้ปัญญาความรอบรู้ทั่วถึงปราชท่านจัดทาทั้งห้าประการนี้เป็นตอนตอนเพื่อเราจะมองดูปริยัติที่เรียนแล้ว มาเปรียบเทียบกับขนาดจิตของเราที่มันเป็นอยู่อย่างศรัทธาคือความเชื่อเราเชื่อไหมเราเป็นอย่างนั้นแล้วหรื อ, อยังวิริยะเรามีเพียรแล้วหรื อ, อยังที่เราเพียรอยู่นี้มันถูกหรือผิดอันนี้เราต้องพิจรารณาใครก็เพียรกันหมดทั้งนั้นแหละแต่ว่าเพียร น, นี้มันประกอบไปด้วยปัญญาหรือเปล่าสตินี่ก็เหมือนกันแมวมันก็มีสติเห็นหนูขึ้นมาสติมาก็รู้ขึ้นมา ตามันจ้องดูของมันนี่สติของแมวอะไรมันก็มีทุกอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็มีอันธพาลมันก็มีปราดก็มีสมาธิความมุ่งมั่นความตั้งใจมันอันนี้มันก็มีอีกแหละแมวมันก็มีมันมั่นที่จะจะครุบหนูกินเนี่ความมุ่งมั่นของมันมีสตินั้นก็เรียกว่าสติเหมืนกันสมาธิความตั้งใจมั่นว่าจะทําอย่างนั้นมันก็มีอยู่ปัญญาความรู้มันก็มี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 อะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เราต้องรู้ชัดสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นพระอริยเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ยึดมัน่นท่านไม่ได้ยึดมัน่น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 ความเห็นซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันตัดต้นตัดปลายไปหมดละมันจะไปตรงไหนล่ะเห็นว่าเราดีกว่าเพื่อนเราก็ทะนงตัวมันก็มีอยู่ในนั้นแหละแต่มันยังไม่รู้จักเห็นว่าเราดีเสมอกับเพื่อนมันก็เสมอกันเท่านั้นเห็นว่าเราเลวกว่าเขานั่นเราก็ตกใจคิดอาภาพอับจนมันก็อุปท า, านขันห้ามันเป็นภพชาติต่างนั้น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 เช่นว่ามีพระองค์หนึ่งไปจับเอาของเขาทีนี้คนอื่นก็ว่าท่านขโมยของผมผมไม่ได้ขโมยผมเอาเฉยเฉให้พระกอตัดสินจะตัดสินยังไงก็ไปถามพระนั้นมาเป็นพยานในที่สมผมเอาจริงครับแต่ผมไม่ได้ขโมยอย่างเรื่องอาบัตสังคาทิเสอาบัตรปราชิกเป็นต้นผมทําอย่างนั้นอยู่แต่ผมไม่มีเจตนาใครจะไปฟังได้อย่างนั้นมันก็ยาก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 มันเป็นอัตโนมัติอยู่ทุกอย่างะมันเป็นเรื่องอย่างนี้ ย, าาย่าคาดเดาอย่าคเนเอาอย่าเดาเาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรมันเป็นผวิชามันไม่หมดองค์มนตรีเคยถามอัตมาหลวงพ่อพระอนาคามียนะจิตเป็นประภัดสอนหรือเปล่าเป็นบ้างอ่ะ พระอนาคามีท่านละกามได้แล้วทำไมจิตไม่เป็นประพัดสอนท่านละกามได้แต่ว่ามีเหลืออยู่ใช่ไหมอวิชชาโมหะเหลืออยู่อะไรที่มันเหลืออยู่นั่นแหละมันยังมีอยู่ก็เหมือนบาทของเรานั่นแหละบาทขนาดใหญ่อย่างใหญ่บาทขนาดใหญ่อย่างกลางบาศขนาดใหญ่อย่างเล็ก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 ก็เป็นพระอาราหันต์หมดเท่านั้นแหละมันมองไม่เห็นอวิชชานี่มันมองไม่เห็นอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าจิตพระอนาคามีรียบหมดแล้ก็ไม่ใช่อนาคามมันก็หมดสิอันนี้มันยังเป็นอยู่จิตเป็นประพัสสอนไหมอืมก็เป็นนั่งแต่มันไม่ถึงร้อยเปอรเซ็นจะให้เราตอบอยังไงท่านว่าวันหลังจะมาเรียนใหม่เรียนก็เรียนสิหลักมันมีอยู่แล้ว อันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปประมากระวังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้ระวังอันนี้พูดถึงเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตของเราอาตมาเคยสวดเสมาหลายครั้งเหมือนกันบางทีอยากจะทดลองลหลายหลายอย่างแต่แล้วมันก็ไม่ถูกทางทั้งนั้นหละคือมันอวดดับอวดตีขึ้นในจิตมันเป็นมานะอันหนึ่งทิฏฐิความเห็นมานะความยึดไว มันมีอยู่นี่พูดแต่เท่านี้มันก็ยังดูยากเหมือนกันนะที่อาตมาเคยพูดในฝังโยมอะไรที่มาบวชเป็นหลวงตาหอมพระไตรจีวรมาแล้วจะมาบวชหน้าศพของโยมแม่ได้พระไตรจีวรก็หอบเข้ามาในวัดยังไม่ไปกราบพระพอวางไตรจีวรก็เดินจงกรมเลยเดินอยู่หน้าสาาัลาเลยเดินกลับไปกลับมาเดินอย่างเอาจริงเอาจังเออคนอย่างนี้มันก็มีนะ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 ที่อาตจจมาเคยเล่าให้ฟังเรื่อยๆปฏิบัตินั่นแหละแอบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนนะยังอยู่ทุกวันนี้แอบเข้าไปหาท่านอะไรละ่ะคืออนิจจ์แอบเข้าไปหาท่านไปกราบท่านสิอนิจจงมันของไม่แน่นั่นแหละเอาตรงนั้นแหละหยุดได้ตรงนั้นละก่อนถ้ามันบอกว่าฉันเป็นโสดาบันแล้วไปกราบท่านเถอะไม่แน่เลย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 เดินก็ไม่มีถอยก็ไม่มีหมดอันนี้ให้เอาไปพิจารณาไว้ให้มันชัดในจิตของตนเองตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรจริงจิงอันนี้มันก็ใหม่หรือเก่ามันเป็นกับผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดนั่นก็แก้ไม่ได้เหมือนกัน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 มันจะขย่าตันหานั้นให้หมดให้เบาให้บานไปเองเหมือนกับธรรมชาติต้นไม้ต่างๆนั่นแหละใครไปบอกมันใครไปสกิดมันไหมมันก็พูดไม่ได้มันก็ทําไม่ได้แต่ว่ามันออกไปได้ตรงนี้มันแคบมันไม่เกิดอะไรมันก็โอนออกไปข้างนอกดูอย่างนี้ก็เป็นธรรมาแล้วไม่ต้องไปดูอะไรมากมายหรอกผู้ที่มีปัญญานะเท่านี้ก็รู้จักว่ามันเป็นธรรมา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 สิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์เราย้ำเข้าไปจะเห็นไหมสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ก็อย่าเข้าไปใกล้มันสิจะไปรักมันหรือจะไปเกลียดมันหรือมันไม่แน่ทางนั้นเราก็แอบเข้าหาพระกหมดอย่าลืมมันนี้แล้วก็อดทนอย่างหนึ่งเท่านี้แหละดีมากที่สุดถ้าคนมีปัญญาอย่างนี้ล่ะมันดีมาก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 อาตมาเลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิธรรมะอันจริงสิก็ไม่มีมันมีอย่างนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าวางรอยไว้อย่างนี้ทั้งๆที่ตัวเราบางทีก็ยังนึกเสียดายที่มันร้าวอย่างนั้นก็ยังปักใจขึ้นมาพูดมันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนและแก่ตัวด้วย บางทีก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ยังมัดเข้าไปหาทนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนนี้สิทามันไม่เป็นอย่างนั้นนะพูดแรงๆเข้าไปให้เพื่อนได้ยินหรือบางคนก็คงจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราก็ได้ยินเรานั่นเออันนี้มันเป็นประโยชน์มีประโยชน์หลายอย่างเช่นว่าเรานั่งอยู่เฉยๆ อ, อย่างนีน้ถ้ามีเพื่อนบอกหลวงพ่อ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 แล้วจะเชื่ออะไรมันทำไมเราจะเชื่อคนอื่นอะไรมากมายทำไมเราก็รู้ก็ฟังอดทนพิจารณามันก็ไปตรงเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามีอะไรก็เขียนออกเขียนออกเขียนออกทั้งนั้นจนมันหมดคำพูดที่ปราศจากอนิจจ์คำพูดอันนั้นไม่ใช่คำพูดของนักปราชญ์ นี่จำไว้ตัวเราเองถ้าไปทิ้งอนิจจังเสียก็ไม่ใช่นักปราดเหมือนกันไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าเห็นอารมณ์ได้ยินอารมณ์พบประสบอะไรมากมายขึ้นมามันจะเป็นเหตุให้เพลิมใจก็ตามเป็นเหตุให้เศร้าใจก็ตามก็ว่าอันนี้มันไม่แน่ทําให้มันแรงแรงเข้าไปเถอะจับมันตอนเดียวเท่านี้แหละอย่าไปเอาอะไรมันมากเอาอันเดียวนี่แหละจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญ จุดตายด้วยนะเนี่ยนี่คือจุดตายนักปฏิบัติอย่าไปทิ้งมันถ้าทิ้งอันนี้มีหวังได้ว่ามีทุกหวังได้ว่าผิดเป็นประมาณเที่ยวถ้าไม่เอาอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของตนและเชื่อแน่ว่ามันผิดแล้วมันก็ถูกอยู่ได้อีกต่อไปเพราะหลักนี้มันดีมากนี่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้น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 มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทิ้งอนิจจังคือพระเนี่ยที่เรียกว่าพระพุทธองค์นั้นยังอยู่ที่ว่าพระพุทธองค์ของเรานิพพานแล้วนะอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ถ้าเป็นส่วนลึกเข้าไปนะพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็เหมือนกันกับคำว่าพิกุลถ้าแปลว่าผู้ขอแล้วมันก็กว้าง เอามาใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้มามากก็ผิดนะคือมันขอเรื่อยๆถ้าเราพูดไปให้ซึ้งดีกว่านั้นพิกุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอากะพิกุมันซึ้งไหมล่ะเอ่อมันไม่ไปในรูปนั้นเสยมันซึ้งกว่ากันอย่างนั้น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 ตาจะเห็นรูปหูจะฟังเสียงจมูกจะดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสโพดทพะถูกต้องทางกายสารพัดอย่างอย่าไปทิ้งพระอย่าห่างจากพระนี่ก็เรียกว่าผู้ที่เข้าถึงพระได้ไหว้พระอยู่ตลอดทุกเวลาตอนเช้าเราคบไปไหว้อรังสัมมาสัมพุทโธพระกวาก็จริงอยู่แต่ว่ามันจะไหว้ไม่มีความหมายถึงขนาด น, นี้ มันจะเหมือนกับคําว่าพิกขุนั่นแหละแปลว่าผู้ขอก็ขอเรื่อยไปก็เพราะแปลอย่างนั้นถ้าหากแปลอย่างดีที่สุดพิกขุปก็แปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอย่างนี้ก็เหมือนกันอย่างแบบเราทําวัดสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นไหว้พระอย่างนี้มันก็จะเทียบได้ว่าพิกขุปผู้ขอถ้าเราเข้าไปใกล้ชิดอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกเวลาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิมรส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 ถึงแม้จะนอนอยู่กับอาตมาทุกคืนทุกวันก็ไม่เห็นหรอกจะนอนอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรอกไม่ได้ปฏิบัติเท่านี้หละฉะนั้นการรู้ธรรมะการเห็นธรรมะมันอยู่ที่การปฏิบัติขอให้เรามีศรัทธาเถ่ะเราต้องทำจิตของเราให้มันดี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 ตามใจของเรานะธรรมะจิตมันเป็นอย่างหนึความจริงมันเป็นอย่างหนต้องระวังข้างหน้าต้องระวังข้างหลังฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามันไม่เทียบ ม, มันไม่แน่ท่านย้ำเข้าไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ความจริงคือความไม่เที่ยมนี้ความจริงที่มันสั้นๆกว้างๆถูกๆนี้ไม่ค่อยพิจารณากัน